มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจะตุทวักปัญจายตนะกรร ม, มะนิพัตตะปัญหาที่สาม ถามว่าอายตนะทั้งห้าเกิดด้วยกรรมต่างๆหรือเกิดด้วยกรรมสิ่งเดียวราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามซึ่งอัตถปัญหาอื่นต่อไปอีกกล่าวว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ายานิมานิปัญจายตนาน้อันว่าอายตนะห้าประการทั้งหลายเหล่านี้ บังเกิดด้วยกรรมทั้งหลายต่างๆหรือว่าเกิดด้วยกรรมสิ่งเดียวเป็นประการใดพระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่าเกิดด้วยกรรมทั้งหลายทั้งห้าประการจะได้เกิดแต่กรรมสิ่งเดียวหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสให้พระนาคเษนกระทาอุปมาส่วนพระนาคเษนรจริงอุปมาว่ามหาราช ดูรานบ่อพิษพระราชาสมภารเปรียปานดุจหนึ่งพืชห้าประการบุคคลหวานลงในที่อันถายแล้วเป็นอันดีก็คงจะงอกขึ้นทั้งห้าประการเกิดเป็นต้นลำทรงดอกออกผลทั้งห้าประการชั้นใดก็ดีบุคคลกระทํากรรมเนื่องกันทั้งห้าประการก็บังเกิดไปในชาติหน้าด้วยกรรมทั้งหลายนั้น จะได้เกิดด้วยกรรมสิ่งเดียวหาไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้มีคำพระดีกาจารย์สอดเข้ามาว่าประการหนึ่งจะสงสัยว่าชะไหนบุคคลกระทากรรมห้าประการผลกรรมห้าประการจะให้ผลไปเกิดทั้งห้าประการพร้อมกันทีเดียวหรือหาไม่ได้มีคำอธิบายว่าให้ผลเป็นลำดับไปในชาติเบื้องหน้าผลกรรมสิ่งนี้ สิ้นแล้วผลกรรมสิ่งนั้นให้ผลไปยังมิได้สำเร็จแก่พระนิพพานตราบใดก็คงจะให้ผลจงได้ถ้ากระทำบาปไว้ก็จะให้ไปบังเกิดในทุกขติถ้ากระทำบุญก็จะได้ไปเกิดในสุ ข, ขติพระนาคเษย เ, เจ้าจะได้บังคับไว้ว่าบุคคลกระทำกรรมเนื่องกันทั้งห้าประการจะส่งผลให้เกิดชาติเดียวพร้อมกันทั้งสิ้นนั้น ไม่ได้แต่ว่าคงจะให้ปฏิสนธิเสวยสุขทุกข์ให้จงได้อันหนึ่งจะสงสัยว่ากรรมที่บุคคลกระทำเนื่องกันทั้งห้าประการนี้คือกรรมสิ่งไรอธิบายว่ากรรมเนื่องกันห้าประการนี้เหมือนบุคคลสองจำพวกจำพวกหนึ่งรักษาศีลห้าจำพวกหนึ่งกระทาปานาติบาตอาทินาทาน กาเมสุมิชาจาร์มูสาวาตสุราเมไรทั้งห้าประการชนีคงจะให้ผลถ้าบุคคลรักษาศีลก็จะให้ไปเสวยสมบัติสุขในสุขคติถ้ากระทาปัญจะพิธเวนห้าประการคือปานาติบาตเป็นต้นก็จะได้ไปสู่ทุกขติจตุราบายขอสัตบุรุษทั้งหลาย พึงมณสิการเข้าใจด้วยประการดังวิสัชนามนี้พระเจ้ากรุงมีลินปิ่นกษัตริย์ได้ทรงฟังก็โสมานาตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนามนี้สมควรแล้วปัญจายตนะกรรมนิพพัตตปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้